ต่างทำนมก็คือฟังเรื่องของคนเราดีแหละคนเราก็มีกายมีใจกายใจมันก็อยู่กับเรากายใจนี่ก็เป็นสังขารเปลี่ยนสังขารไปรวิสังขารก็คือเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจแต่เปลี่ยนสังขารไปรวิสังขารเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมปล่อยเปราะแล้วเลยตัวเอง จึงมีสติเพื่อดูแลยหายใจสติก็อยู่ที่กายที่ใจอยู่แล้วประกอบขึ้นมาไม่ใช่ได้ถ้าไม่ประกอบก็ใช่ไม่ได้บางคนหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายปล่อยปละและเลยตัวเองมีสติเหมือนมีข้าวปลูกข้าวพัน มีความเพียรเหมือนมีน้ำฝนมีสมาธิใส่ใจที่ลู้อยู่เสมอเหมือนมีคาดวไไิถัยทำนาสาเร็จเพ่จะไขน้ำเข้าปล่อยน้ำออกเวลามันอ่อนแอเข้มแข็งขึ้นมาเวลามันเพ่งแรงกันไปปล่อยออกไปให้มันพอดีพอดีมีความพอดี เรียว่าอาริยมรรคเราจึงให้จำนี้จำนานในเรื่องนี้ชีวิตของเราถ้าไม่จำนาญเรื่องนี้มันก็โดสังขารสารพัดอย่างควบคุมเองไม่ได้สังขารคือจิตใจรูปร่างกายของเรามันไม่เที่ยงวนยาก สิ่งไหนมันไม่เที่ยงอยา่าคิดว่าตัวตนตันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงทำให้เป็นนิพพานได้ถ้าเห็นแยง้งในความไม่เที่ยงเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั่นย่อมไหนๆในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเราหลงในความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานตรงที่มันหลงไม่หลงรู้แล้ว ตอบควาหลงเป็นความรู้ได้เป็นนิพพานได้เย็นแล้วเมื่อใดเห็นกวงทุกข์สังขารคือความทุกข์ความทุกข์เป็นควงทุกข์ถ้าเป็นสังขารถ้าเรามีสติเห็นสังขารเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารนั้นก็เห็นความทุกข์เป็นนิพพานเลยทีเดียวทุกข์เกิดเถอะทำไมไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสติ ถ้าปล่อยตรง น, นี้พลาดโอกาสพลาดโอกาสแทนที่จะได้ประโยชน์จากความไม่เที่ยงได้ประโยชน์จากความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ร่ำไปถ้าเราเปลี่ยนได้มันก็เป็นประโยชน์ในการตัดสรู่ของผู้เจ้าเห็นทุกข์เนี่ยเห็นสมุทัยเนี่ยเห็นวิธีดับทุกข์เนี่ย เห็นความหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยเปลี่ยนทุกข์เป็นวิสังขารเห็นการเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้เนี่ยเรียกว่าอาริสัตเป็นพิชดีตรงชีวิตเราเราจึงมหาหัแต่ไม่ต้องไปคิดอาศัยกากรกระทําเราจึงมีกากรกระทําเรียกว่ากรรมฐานภาวนา เป็นปัญญาเป็นการท บ, บุญในสูงสุดเพราะการกระทำนี้การภาวนานี้ไม่ได้คิดเอาการกระทำถ้าจึงใดที่เกิดปัญญาจากความคิดหรือว่ากินต่ยานกินตมยปยัญญาปัญญาเกิดจากความคิดสู่แต่เม ย, ปย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาอ่านดูเห็น สนภาวนาเมยปัญญานี้เกิดจากการกระทธรรมแท้ๆไม่ต้องเพืองสมองไม่ต้องไปเปลงความคิดเหตุผลอไรใดเอาเหตุเอาผลมาประกอบเอาการกระทําบุกเบิกไปก่อนการกระทํารมก็มีรูปแบบคือกายคือใจนี้มีสติไปกับกายในพุทสูตรพุทเจ้าศึกษาเรื่องนี้จึงเป็นพุทธเจ้าได้ แต่พระองค์ทในสมัยเป็นเจ้าฟ้าชายเรียนจบสิบเกศาสตร์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยองมาศึกษาภาวนากรรมฐานนี้ทำให้เกิดเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาโดยการคู่เขียนเข้าการเหยียดฉันออกรู้สึกทะลึกได้เราจึงมาทำตรงนี้กันเป็นต้น ต่อของการศึกษาที่แท้จริงศึกษาคือใจศึกษาใตศึกษาคือไตรักใจศึกษาวากับไตรักเข้าไปพราเห็นพอศึกษาก็เห็นกวาไม่เที่ยงเห็นกวาเป็นทุกข์เห็นสังขารเห็นวิสังขารสังขารคือขยันปรุงหอนนายช่างปั้นเม้อถึงใดที่ปรุงขึ้นถึงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์นายช่างปั้นหม้ ว่านลกใหญ่ลูกโตลูกสวยลูกไม่สวยก็แตกทั้งนั้นอะไรที่เกิดจากสังขารการโปร่งแตง่งความรักความชังไม่เที่ยงทั้งนั้นแตกไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ของจริงอย่าไปเชื่อมันการตัดชะูกของพระเจ้าเห็นเรื่องนี้เรียกว่าแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ได้เล่นท่องเที่ยวไปในความชิดเป็นใดในกชาติย์มาไปท่วน นับไม่ท้วนเกิดทุกใดคิดทีใดเกิดอุปทานขึ้นมาเป็นทุกทุกทีเกิดดับเกิดดับเป็นภพเป็นชาติบัดนี้เรารู้จักเจ้าเจรแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปกองเรือนทักบอกของเจ้าเราหักแล้วยอดเรือนเราลื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วเสื่งสภาพอะไรปูงแต่งไม่ได้อีกต่อไปนี่เป็น ออดออกจากอุทานออกมาจากโอษของพระเจ้าในครั้งแรกยเยอะแบบปฐมาภาสิธก็พอมาเห็นกายเห็นใจนี่ตามความเป็นจริงเรามาตรงๆกันสายตรงปฏิบัติตรงมาเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเห็นใจเคลื่อนไหวที่มันคิดเกี่ยวกับกายเคลื่อนไหวให้รู้เกี่ยวกับใจที่มันเคลื่อนไหวมันคิดก็ให้รู้อย่าปล่อยปะแล้วเลยตรงนี้ มันจะได้ปัญญาได้ประสบการณ์ตรงนี้ไม่มีใครไม่เห็นตรงนี้เราก็เห็นเป็นส่วนตัวเองไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีคําถามไม่ต้องมีคนอื่นตอบให้เราตอบัวเองนี่คือของจริงนี่คือของไม่จริงของจริงคือรู้สึกตัวความหลงไม่จริงความหลงคือความ ไม่รู้สึกตัวไม่จริงสัมผัส ด, ดูถามคนเดินไหมเวลาวันหลงนั่งอยู่สกุกโตมันคิดไปที่ไหนนอนอยู่ที่นอนมันคิดไปที่ไหนวนคิดที่ไม่ตั้งใจนั่นเรียกว่าสังขารอันคิดที่ตั้งใจอันนี้เป็นวิชาอันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นอวิชาวิชาอวิชา เมื่อคิดไม่ได้ตั้งใจคิดมันไหลไปน่ะเรี ว, ว่าวิชาเหมือนป่าเหมือนดงอยู่ในดงในป่าแม้นว่านอนอยู่ในตึกอาคารว่าเรือนถนนครนติก็ยังเป็นป่าแต่วิชานี่ก็เรียกว่าอยู่ในที่โลง่งเป็นมิตรภาพสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างขึ้นมาเหมือนเขาสร้างถนนมิตรภาพ ตัวใจเป็นมิตรภาพได้ก็ต้องอัดต้องปล่อยควรเข้มแขยงเข้มแข็งควรปล่อยวางก็ปล่อยวางเข้มแข็งตอนที่มันอ่อนแอมันง่วงเหงาหอนอนเข้มแข็งตรงนี้มันโกรธมันโลภมันหลงมันทุกข์เข้มแข็งตรงนี้ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่ทุกข์มีสติอัดเข้าไปเหมือนสร้างถนน ตรงไหนอดกอดเข้าไปตรงไหนขุดคลองก็ขุดวางโทษสำรำปานใบ ป, ปล่อยไปวางไปอยยึดมันจึงเป็นมิตรภาพได้หรือจะปล่อยด้วยจัวางด้วยจะหยุดด้วยจักกินไม่ใช่ไปจักตักขังเอแต่พื่อตะพื่อกูชอบกูไม่ชอบเอากูกูสุกูทุกข์เอากูาอ่ะอัดพังอลไรที่เดียวอกหักเสือใจ ปัจภาคของรักของชอบใจผัถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ไม่ต้องทุกข์อกคุณที่มันไม่สบายกายขอกคุณมันที่มันไม่สบายใจจะได้ช่วยกายจะได้ช่วยใจยานไัยมันบอกให้เราช่วยไม่ใช่ว่ า, าเป็นทุกข์เป็นปัญญาไปเลยเรียกว่านักภาวนา ล้าเราชาวนานตรงนี้ก็เหมาะที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกไม่ถูกโลกทับถมปุกขนตนเดงไปยิ่งพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มากงมืไรร่วมกันทำงานทำงานเหมือนทีมวีลาคนหนึ่งทำานหนึ่งคนหนึ่งทำานหนึ่งสนุกไปกับการงานสนุกป่วย สนุกเก็บเอาเลยทีเดียวน้ตงตานอนอยู่โรงพยาบาลสองปีคนมาถามสนุกป่วยสนุกเก็บมันไม่มีจริงๆเขาทุกข์นะไอหายใจไม่ได้ก็ไม่มีทุกข์เลยเอ้าเขาว่ามันทุกข์มันอยู่ไงคนดูเราน้ําตาล้นน้าตาไหลทำไม่มาต้องให้เสียใจคนไม่มีทุกข์เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ มันมีจริงๆความไม่ทุกข์เละเออเก็เจ็เจตาลงไปไม่มีทุกข์เลยแต่บางคนเนี่ยพอคิดถึงความตายก็เอาเราเศร้าไมองอะไรนิดหน่อยไม่ใช่มันต้องเข้มแข็งตรงนี้จึงจะอยู่เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายอะไรเคยเจ็บอะไรเคยแยะอะไรเคยเจ็บอะไรเคยตายมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตเราชีวิตของเราคือภาวะไม่เป็นอะไร พู ถ, ถึงภาวะความไม่เป็นอะไรนี่คือมิตรภาพมาตรฐานของชีวิตถ้ายังเป็นอะไรอยู่หรือว่าอ่อนแอม่ใช่ได้ชีวิตเลยชีวิตไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งต่างๆสมมุติบัญญัติไม่ใช่ของเราต้องเป็นเราเองเราอยู่ตรงเนี้ยมีสติอยู่เนี่ยสติไม่ใช่สติมันจะเป็นปัญญาเป็นมักเป็นผลไปเลย ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดถึงฝึกขวนตนเองอยาประมาทประมาดในความสุขประมาดในความทุกข์ประมาดในความหลงย่อยความสุขมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนย่อยความทุกข์มาเป็นเจ้าบ้านเขาเรือนเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนที่เห็นอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่มีที่ปิดที่รับอะไรเห็นมันไม่มีที่รับเห็น ตู้ึกระลึกได้มีสติเป็นเจ้าว่าเนเจ้าเรือนเป็นเจ้าของชีวิตมีเจ้าของชีวิตไม่ใช่เถื่อนปล่อยให้คิดอะไรก็ได้ไม่ได้ผัดปล่อยให้ทำอะไรก็ได้ไมาละจึงดูมันทุกข์เหรอมันเคลื่อนมันไหวรูมันมันเดินรูมันอยู่ตรงนี้ก่อนงัดอยู่ตรงนี้ก่อนทําให้มันเป็นไม่ใช่ไม่ให้รู้ทําให้เป็น มันหลงรู้ทําเป็นแล้วทีแรกก็หัดพอมันหลงหัดให้รู้เหมือนกับดึงความรู้เข้ามาความคิดไปนโน่นเหมือนกับดึงความคิดกับเคลื่อนหมายรู้สักตัวเหมือนกับจากนั้นทําใหม่ใหม่ไปมาก็เหนื่อยเมื่อแล้วอ่วงเหงา ห, าหนอนข่อมเครียดไปบางทีก็ไม่ต้องไปยากปว่า น, นั้นพอมันหลงก็รู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวมันจะออกแรง ง่ายๆเบาๆยิ้มแย้มแจ่มใส่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันพอดีพอดีเอาผิดเอาถูกเอาผิดแล้วเอาเร่องนี้ถูกอันนี้สงบดีอันนี้ไม่สงบกุ้งขาวไม่ดีเอาไม่ดีเอาดีไม่ใช่นักปฏิบัติเอาผิดเอาถูกไม่ใช่นักปฏิบัติเอาเหตุเอาผลไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัตินักปัญญาต้องเหนือเหตุเหนือผล ผมหลงเอาอะไรไปอธิบายความหลงควมรู้สึกตัวไปอธิบายคามรู้สึกตัวได้อย่างไรอธิบายความเค็มอธิบายว่าอย่างไรความเค็มนี่ยเค็มมันเป็นอย่างนั้นเค็มมันเป็นอย่างนี้เผ็ดมันเป็นอย่างนั้นเผ็ดมันเป็นอย่างนี้มันดอธิบายไม่ได้ต้องสองผัดได้ชิมเค็มลองดูโอ้โอ้เผ็ดก็ชิมลองดูโอ้ ไม่มีคำอธิบาตปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้หลงรูล้ลดเดียวหลงก่อนเดียวรู้ก่อนเดียวเพราะมันเป็นวิปัจฉนาวิปัจฉนาคือบางโอถึงบางโอหงุดหงิตัวเดียวเน่ยหดเลยเข้าใจรู้แล้ว เหมือนอัญญาโกนอัญญาลู่พุ่เจ้าเทชนาไปอเม้าใจไปเจนพุ่เจ้าว่ะอัญยาสิวัตโพโก น, นอันโยอัญญาอยู่ลู่แล้วหรือลู่แล้วพระเจ้าข้าอ่านแล้วว่าได้สัมมัญญานำหน้าอัญญาแต่ก่อนคือชื่อโกนทัญญาโกนทัญยา พอมาลู่ก่อนลู่แล้วลู่แล้วเหรอเลอยอัญญาก он, นธัญญาลู่แล้วลู่ก่อนงูอัญญาสิบุตโพกนัญโยอยัญชาสิบุตตะโพกนญโยอัญญาลููแล้วหนอะแ้วอัญญาสิอัญญาสิอัญญาสิแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นลู่แล้วความหลงก็ลู่แล้วสมน้าหน้าความหลงความไม่หลงก็ลู่แล้วไม่เปิดไม่เพี้ยงกับสิ่งใดเป็นพงไม่จันไปเลย พืชพมจันทร์คือพระบะที่ลูสึกตัวเนยโบริสุด์บดิบุญเสื่อเฉิงอมท้งอัตเถออ้อมทั้งปัจจัญชนะเป็นไปเพื่อความดับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานเลยทีเดียวเพราะว่ารู้แล้วตรงนั้นเอียงไปไหลไปสู่มักผลนิพพานเลยถ้าเป็นแล้วก็ไม่ถึงไหนเป็นสุขก็เป็นสุขอยู่นั่นแล้วเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแล้ว โซ่ไม่แก้คนแก่ไม่ไขายก็หลุดไปได้หลุดพ้นลงไม่เป็นอะไรไมีแต่เห็นเข้าไปลูกเข้าไปลูกเข้าไปเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันคิดเห็นมันสุขเมันทุกข์เห็นทุกอย่างเห็นกายกายส้ว่กกายไปเลยแต่ก่อนกายเป็นตัวเป็นต้นร้อนก็กูหนาวก็กูเจ็บปวดก็กูผิดก็กูถูกก็กู้ นีตัวมีตนเต็มไปในกายกี่ภพผีชาติในตัวตนอยู่ในกายเนี่ยคเคิเจ็เจ็บตายทางนั้นตนก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เจอนานไว้ก็เจอแล้วก็ตายไปก็เจ็บไปเพราะความแจ็เจ็บไปเพราะความรักเจ็บไปเพราะความชังความรักแต่แท้กลายเป็นความเจ็บปวดความชังก็กลายเป็นการเจ็บปวดเค็ตายไปกี่ภพผีชาติเราเราอยู่ตรงนี้ครับก็ เ, เห็นอย่างเนี้ยไม่ไม่เปืบเพื่อนแล้ว เหนือพบเหนอชาติเช่นพบเิ้นชาติชาติเช่นแล้วพอมจันยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทําให้มีอีกแล้วไม่ใช่จะหลงจนตายทุกจนตายโกจนตายมาเป็นขั้นสุดท้ายได้ไม่มีขั้นสุดท้ายเราก็ต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่องเดียวหมดชิดเรื่องเดียวหมดสุขเรื่องเดียวหมดทุกข์หาความทุกข์ อหอบใส่หัวตัวเองหอความสุขอหอบใส่หัวตัวเองบางทีก็ทุกข์พอใจในความทุกข์พอใจในความโกรธยึดมัน่นดีกว่าความสุขด้วยแต่สิ่งใดที่เป็นทุกข์มักจะยึดมัน่นมากมากคิดแล้วคิดดีเขาว่ากัเราเขาว่ากัเราก็าว่ากัเราเร า, าไม่ยอมกูจะต้องทำํำมั่งกูต้องทําำแ่านี้มันก็หลงไป ยึดมัน่นถือมันจึงเห็นกายสวะกายสติเห็นไปเฉกข้าใบกายสวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความร้อนก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการของกายไม่ใช่เราเลยทีเดียวความปวดความมัวยเป็นอาการของกายธรรมชาติของกายความหิวความเหน็ดเหนื่อยเวลาเป็นอาการของกาย อบุญอาการของกายมันต้องมีถ้ามันไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่รอดมันอยู่รอดเพราะมันร้อนมันหนาวเพราะมันหิวมันเจ็บมันปวดแล้วก็รู้จักใช้อาการเหล่านี้เป็นประโยชน์บางอย่างเกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์อะไรก็ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์นี่จะเป็นทุกข์ทุกบางอย่างก็ควรชื่อบรรเทาถ้ามันปวดก็เปลี่ยนหรือปวดมันหิวก็กินข้าว ไม่ใช่มาทุกเลยก็หิวนะขอบคนนั้นเอามือตบ อ, อกเลยอายุเจ็ดสิบปีแล้วยังหิวข้าเหมือนเด็กน้อเนี่ยดีใจดีใจเวลาหิวเข้าแต่บางคนไม่ดีใจนะเสียใจเป็นทุกใจหอใจเหนียวใจปอใจบางอะไรก็ ง, ง่ายเสียโกรธไปเลยเวลาหิวเข้าโกรธง่ายศึกของเข้าเฮ้ยไม่กรธตั้งมั่นมันดีหิวเข้าโอ้ยชื่นใจ เวลามันโกดโอ้ก็ตื่นร้อนจอด้ยช่วยก็ตื่น้นเหมือนเราช่วยลูกเราสติตัวนี้เหมือนบบปะการะคนเหมือนพ่อเหมือนแม่ของกายของใจอันพ่อแม่ของกายของใจเราก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันตลอดไปหรอกอันสติจําชญานีนพูเจ้าว่าอุปะการะคุณเหมือนพ่อเหมือนแม่ช่วยกายช่วยอย่างกระตือรือร้ น, นไม่ปล่อยทอดทิ้งจริงๆช่วย ให้เหนือสุขเหนือทุกข์จึงฝึกให้มีเป็นอริยทรัพย์เป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดไม่ใช่ไปพึ่งไปห้อยไปจันทรกับเวลาเจ้าจึงชื่อว่าอุปการละคนถ้ามีอุปการล ะ, ะมากสองอย่างสติความลึกได้สามปัญญะความรู้ตัวเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยทีเดียวเพร่อแม่ของกายของใจอยู่กับพวเราตลอดเวลา ถ้ามีแล้วมันไม่ไปไหนถ้ามันไม่มีก็ต้องสร้างต้องประกอบหัดให้รู้ให้รู้ให้รู้ต่อไปความรู้จากตัวจะเป็นเจ้าของไม่ต้องสร้างรู้แล้วเลยทีเดียวทํามใหม่ต้องสร้างเหมือนเราไปเรียนหนังสือหนา ด, ดูกระดานหัดเฉียนก็ไก่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียนแล้วอ่านออกเขียนได้รู้ความหมายนั้นเราเดินทาง หนูนั่ทางเขาทำป้ายจราจรบอกมันสนุกเดินทางก็สนุกเป็นมกักเป็นผลลอยเขาบอกแยกผ้าแยกไดแดงไฟเขียวมีอะไรทีไหนบอกรูกความหมายอ่านหนังสือแต่รู้ซึกซึ้งน้อนตาเคยไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวสหรัฐอเมริกานะว่าไปเที่ยวอย่างซุกซนไปถึงแก่งเข็มยอนไปถึงที่ไหนต่างๆแล้วก็ถามลอา เป็นไงสองพ่อมาเที่ยวจดเอา้าก็เหมือนกันละ่ะก็ น, นั่งรถเหมือนกันสองข้างทางมีบ้านผู้บันคนมีนป่าไม้ถนนทางก็เหมือนกันมีรถวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันไม่เห็นแปลกอะไรไม่เห็นแปลกอะไรก็เหมือนอยู่บ้านเรานะเนี่ะเที่ยวเดินนั่งรถตามถนนทางก็เหมืนนมนนมนน อ, อ, อมนอบ้านเราเน่ยมีถนนถนนทางแต่ว่าถนนของเขามันลีกกว่าบ้านเราฟรีเวย์ ไม่มีรถบรรทุกไม่มีรถโดยสารมีแต่รถนั่งส่วนตัวโลกฟรีเวไม่มีไปแดงไปเขียวบ้านเขาเขาไม่อยู่ในเมืองหรอกห้านาทีห้านาทีสิบนาทีก็สิบนาทียี่ิบนาทีก็ยี่สบนาทีาทตามไม้ของความเร็วกําหนดได้เลยถึงที่หมาที่ทํางานได้เลยแต่เรานี่ก็รถติดเพราะมันไม่ใช่ฟรีเวมันมีรถบรรทุก <laughs> อะไรต่างๆอก็เหมือนกันหมด ไอ้โลกนี่มันกันหมดอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรแปลกเราเพราะอยู่ในกายในใจเราเนี่ยถ้ากายเรามันเป็นสมมุติปัญญัติมันก็เมื่อมากายเลยสมมุติอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เราชอบอันนี้ไม่ชอบสมมติปัญญัติมากมายอันความดีไม่ดีไม่ใช่สมมุติปัญญัติมันเป็นของมันเอง เราจะเอาสมมติปัญญยัดเหนือชีวิตเราไม่ได้สมมุตินี่มันก็ยิ่งใหญ่นะสมมติว่าชอบสมมุติไม่ชอบในรูปปรธรรมในนามมาธรรมรูปปรธรรมเป็นรูปปรท้วงสิ่งของว่าตอนนี้ดีอันนี้ไม่ดีไปสมมติให้เขาสมมุติให้ผู้คนเรียกว่ารูปธรรมนามาธรรมเกิดจากสมมุติขึ้นมาเองไม่มีอะไรไม่มีรูปสมมติคิดขึ้นมาก็ชอบคิดขึ้นมาไม่ชอบ เป็นโฉกเป็นทุกข์ประกอบคิดสมมุติบัญญัติเนี่ยมันยิ่งใหญ่เรามาลื้อถอนตรงนี่ะปฏิบัติธรรมเห็นสมมุติบัญญัติเห็นปรมาจิตจักสมมุติก็จริงแค่สมมติบัญญัติก็จริงแค่บัญญัติปรมัติตไม่ม <alive> ีคําว่าสมมติเหนือสมมุติบัญญัติคือจริงไปเลยความหลงก็จริงแบบนั้นความไม่หลงก็จริงปรมตจสัจักความโกดเป็นสมมุติบัญญัติความไม่โกดเป็นปรมาจิัจัก ความหลงเป็นสมมติความรู้จักตัวเป็นปรมัติความทุกข์เป็นสมมติความไม่ทุกข์เป็นปรมัตสัจมันจริงกว่ากันอย่างไรสัมผัสดูนะเวลามันหลงนะกับความไม่หลงอะไรจริงกว่ากันเราก็หลงอยู่แล้วเราก็ไม่หลงอยู่แล้วดูดีๆสมมุติอันจริงอย่างไรไม่จริงไงของจริงอริเจ้าของจริงอย่างประเสริฐอันทุกข์มันก็ทุกข์จริงจริงอันสุขมันก็สุขจริงๆ เราอย่าไปหลงตัวนั้นเรปาปรมาจิตจะสุขก็หวัวเราะมันได้ทุกข์ก็หวัวเราะมันได้จะว่าไงถ้าไม่ฝึกตัวไหนจะต้องเกิดเจ็บเจ็บตายแน่นอนเราไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันชีวิตนี่รูปนามนี่เลยไปไอาศัยก็ให้เป็นเป็นัญญาเหมือนพุงพ่งแพ่เราห้อยใจไม่ได้จะทําไงอุ้จังหักจะทําไง อาจะทำยังไงตัวนหนแต่วันนี้เราหาวันนี้มันจะไปเป็นวันนั้นด้วยว่าเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายได้ทำแค่นี้หรือทำแค่นี้และวทำแค่นี้แล้ ว, ลวพระเจ้ามันมีหนังสือตสำหรับตมาเรียนเราเอากายเคลื่อนไหวกู้แขนเข้าเหยียดแขนออกมีสติเดินจงกรมมีสติกลับไปการเข้าไปการเข้ามามีสติ อยูในพุท ธ, ธคยายังมีรอยเดินจงกรมของพุทธเจ้าอยู่มีไปกราบไปไหว้กันอยู่หลองตาก็ไปมาแล้วหกเจ็ดเที่ยวแล้วอยู่ที่สรนาดปายชีปตนาบลึกตวันก็มีรอยเดินจงกรมของพระพุทธเจ้าของพระยาศกุลหลวงบทของโมคัลาของคนัญญาว่าปะปัญญามหานมามะเป็นวัดใหญ่ อันนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยอาจารย์เจ้าสินทำทางเดินโยกรมมาให้อย่างดีเพื่อการนี้โดยตรงวิวิทย์สุโกโตเพื่อการนี้โดยตรงอเอันอื่นอย่าเอามาต่อรงไม่เป็นไปเพื่อการนี้มีสติรู้จักตัวพวกเราเป็เพื่อนกันอย่างนี้พูดตรงๆกันอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรลําบากไหวยากไหวไม่ต้องไม่ต้องไหเอาตรงนั้นมาเป็นการมาก เอาความรู้จักตัวเป็นการบ้านไปสอนรู้จักตัวรู้จักตัวไปอเออใส่ตัวเองร้อยเปิดจัอย่าใส่คนอื่นเราหลงก็หลงเองเราก็รู้เองอย่าไปขาแต่คำถามบางทีจึ่งที่คิดหลงขึ้นมาหาคำถามไม่ต้องถามก็ได้บางทีทาไปก่อนบางทีมันตอบทีหลังลุกเบิกไปก่อน ไอ้คนนงตาก็อยู่กับหลวงปู่เทียนเน่ยอ้าใชหลวงปู่เทียน100ลุยไปเฉินหลวงปู่เทียนก็ไม่ค่อยอยู่เพราะเราฮึดสู้เชิดแข่ง ข, ขึ้นมาเราเองว่าอย่างนี้ก็อยู่เโลนะเคลื่อนไปไปมาเน่ยให้เป็นวัดของเรา